اللّهُ الرّحمنُ الرّحيمُ الحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَمُسَفَاهِهِ الْقَارِئِ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ الط الطَّاهِيرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِ الْمَيَامِينَ وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَيْهِمُ الْدِّينُ وَسَلَمَتْ سَلِيمًا كَثِيرًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَرَحْمَةُ رَجَالِه <ت ص في ق> แม้กระทั่งช่วงแรกเกิดที่เราอาจจะยังพูดไม่ได้แต่มันคงเป็นคำถามที่เกิดในใจเราแน่นอนแรกเกิดนี่คง ยังไม่ตระหนักว่าผู้หญิงที่ให้นมเนี่ยเป็นเป็นแม่เด็กที่แรกเกิดนอะอาจจะไม่เข้าใจดูซ้ำไปว่าอะไรคือแม่แต่พอเริ่มโตแล้ว <c oughs> ก็จะเกิดความพร้อมที่จะรับข้อมูลอันเป็นคำตอบของคำถาม ว่าคนนี้คือใครคำตอบที่มาเนี่ยคนนี้คือแม่บังเอิญชีวิตเราก็อาจจะมีการบิดเบือนความจริงเช่นช่วงหนึ่งผู้หญิงที่จะให้นมเนี่ยเขาก็หายไปและมีผู้หญิงคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเขาก็ให้คาตอบว่าคนนี้คือคือแม่ และเราก็รับข้อมูลนี้อย่างเต็มที่เลยก็เรียกเขาว่าแม่แต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่แม่แต่มันก็เป็นคำตอบ <c oughs> ที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมจะให้เสมอเพราะในบริบทของสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ยอมที่จะให้เรื่อง หนึ่งเรื่องใดไม่มีคําตอบต้องมีคําตอบคําตอบนั้นจะสอดคล้องกับความจริงหรือไม่สอดคล้องกับความจริงนั่ น, นอีกประเด็นหนึงแต่สังคมกําลังกล่าวว่าตัวมนุษย์มีคําถามที่หาคําตอบแล้วก็สังคมมนุษย์ก็พยายามที่จะเอื้อคําตอบให้ทุกคําถามแม้ว่าจะเป็นคําถามเล็ ก, ลก เด็กเจอต้นไม้เจอของเล่นเขาก็ถามพาม่อแม่นี่คืออะไรนี่คำถามเล็กๆหรือคำถามใหญ่ๆเช่นโลกนี้มีพระเจ้าไหมคนเขาก็ถามกันมีคำตอบไหมก็มีสังคมได้คำตอบคาบางคำตอบนี่มันสอดคล้องกับความจริงหรือไม่ น, นี้อีอประเด็น แต่สรุปแล้วะพวกเราไม่เฉยนะกับการเคลื่อนไหวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสงสัยที่มันต้องใช้เวลาในการอธิบายทำไมเนี่ยมันเป็นคำถาม ที่ถามได้ง่ายทำไมอะไรเพราะอะไรคำถามถามง่ายแต่บางทีคำตอบต้องรอเป็นปีเป็นสิบปีก็จะได้คำตอบพอแม่เขาตีเรากุม้มใจเหลือเกินถ้าไม่พ่อแม่เขาตีเราได้คำตอบเมื่อไหร่ล่ะต้องเป็นพ่อเป็นแม่ก่อน น, นถึงจะตระหนัก เออาทีพ่อแม่เขาเขาไม่ได้สะใจนะว่าตอนตีเนี่ยเขาเข า, เขามีเนม่พสุตรตะนามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอลัลกุรอานที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับสถานการณ์หรือการเคลื่อนไหวบางประการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือในสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจทำให้คนรับทางนำหรือหลงทางนั่นคือการอธิบายสิ่งที่มันปรากฏในโลกนี้ทาไมคนดีบางคนไม่รุ่งไม่เจริญทาไมคนเลวบางคนรุ่งและเจริญ ในความดีหรือคุณธรรมนั้นจะสร้างความเจริญแต่คนดีนี่แหละคนที่มีคุณธรรมจะไม่มีเขาเจริญในความเลวความเลวเนี่ยมันจะแช่งคนเลวไงทำให้เขาไม่เจริญก้าวหน้าแต่เห็นคนเลวนี่เขาก็เจริญกันบางคนนั่นแะ ทำไมสตังไปอยู่กับคนที่ใช้ไม่ใช้ตังไม่เป็นและทำไมความยากจนไปอยู่กับคนที่ใช้ตังเป็นทำไมความสวยงามไปอยู่กับคนที่ใช้ความสวยงามไม่ถูกที่ถูกทางและทำไมคนที่มีคุ ณ, ณธรรมในการใช้ความสวยงามนี่ปรากฏว่า ไม่ได้เป็นคนที่มีความสวยงามคำถามเป็นสิ่งนะคำถามที่ทุกคนเนี่ยก็ถามตัวเองหรือแม้กระทั่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อทำไมอัลลอฮ์ให้ผู้ปฏิเสธพระองค์เนี่ยนะ ยยามขมเหงคนที่ศรัทธาทอพระองค์ทำไมชัชชนะของอัลลอฮ์นี่ไม่มาสทีไหนว่าอัลลอฮ์สัญญาว่จะช่วยเหลือให้ผู้ศรัทธาได้รับนะคถามมีมดานบีรสูลยังาอ حت ่ إذا سئس الرسل وظن أنهم قد كذبوا ن ج ي م ا ل ن ش ء حتى إذا قالوا متى نصر الله؟ لأن لأ نصر الله ق ر ي ب ا لذا أ ن ع ي من ن ر س و ل ه و ج ا هو؟ متى نصر الله؟ ل ي ما ا ي جماعتي؟ ش ي ش ن ا ه م الله. و كلام. ن ن كم ث ا م คำถามก็เกิดกับสถานการณ์นี้แหละทรัมด่าทออิสลามไม่รู้เท่าไหร่สแสดงความเกลียดชังต่อมุสลิมไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่กี่ครั้งแต่ชนไยเลยทำไมคถามมันนะทำไมอิหม่า ม, มสิทธารอมชิดสุดเดสนีออกมาบอกว่าเนี่ยทรัม์เนี่ ย, เ, ยเป็นคนคนหนึ่งในโลกนี้ที่จะนำโลกไปสู่ ไปสู่หาดแห่งความสันติภาพนำโลกไปสู่ความสงบสุขความรักใคร่ซึ่งกันและ ก, กันค ำ, คำถามตคำามคถามต้องเกิดขึ้นมาท่านอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนม า, อนมาตอนนี้คนเลือกตั้งตอนนี้เขาห้ามเจ็ดประเทศ เประเทศกี่ประเทศมุสลิมเท่าไหร่ผ ม, มลืมละเจ็ประเทศมุสลิมนี่ไม่ให้เข้าสอเมริกาและการหาคําตอบที่ถูกต้องที่จะทําให้เราได้สบายใจเ พ, เพราะคำเพราะคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับความจริง แต่บางคนสามารถแสวงหาความสบายใจด้วยคําตอบคําตอบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่คําตอบที่สอดคล้องกับความจริงคนหนึ่งปวดท้องไปหาหมอหมอบอกว่าไปไลปวดท้องนิดนึงหนูกินยาแก้ปวดท้องเขาก็สบายใจอีกวันหนึ่งปวดอีกยังไม่หาย ก็ไปหาหมอหมอเขบอกว่าเกินยาแค่บท้องนูก็หายอีกวันหนึ่งเหมือนเดิมเขาก็รักษาตัวเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยพอหมอให้จดยาให้หมอปลอบใจบอกว่าธรมาธรมดาเรื่องปวดท้องธรรมดาเขาก็ปลอบใจตัวเองด้วยสถานะของหมอ สถานะของกระบวงงนการรักษารโรคอะนะมียาด้วยนี่องค์บุญโรง บ, บนานลอะไรเงี้ยแตถ้าบางคนเนี่บอกเอนเปลี่ยนหมอได้ไหมลุงหมอชีวชาญหน่อยไหมเอาหมอเชี่วชาญบอกว่าปวดกี่วันแล้วปวดสามสี่วันแล้วกินยาแก้บวดก็ไม่ได้มีอาการะอะไรบ้างมีอาการ อ, าอ่างั้นไปตรวจนิดนึงปรากฏว่ามีมะเร็งลำไส้ คำตอบอันแรกของหมอที่เขาบอกว่าแค่ปวดท้องเอาอยากแก้ปวดท้องเขาก็สบายใจแล้วแต่บางคนนี่พร้อมที่จะถูกหลอกแล้วบางคนนี่อยากจะถูกหลอกนะแต่บางคนเนี่ยนิสัยเขาเนี่ยอย่าอย่าพูดอะไรที่ทํำให้ฉันเนี่ยลำบากใจเลยจใจฉันหลอกแกละเออแกลหลอกฉันละแต่ย่อย่าพูดอะไรที่ถ้าถ้าไม่ฉันเสียใจ เออแกไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกแค่สบายมันแค่ปวดท้องนิดหน่อยเออดีแล้วฉันสบายใจแล้วที่มันอยู่ที่คนน่ะอาหมอก็ต้องให้คำตอบที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงและคนที่ชอบคำตอบที่เป็นจริงนี่นะคนเนี้ยที่จะบริหารวิกฤตได้ออกาเป็นมะเร็งเราฉันจะ ขั้นตอนยังไงอะวางแผนแต่คนนี้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบความจริงไงนะไออย่าไปบอกเขาอเอาบอกเขาเดี๋ยวเขายิ่งเศร้ายังเอาไม่ต้องบอกครับมีโอกาสจะแก้ไหมจะวางแผนอะไรไหมไม่มีเช่นเดียวกันนะครับสัจธรรมของโลกนี้ทั้งหมดเลยโลกนี้มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นคําถามที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องถามตัวเองต้องถามตัวเองโลกนี้มายัางไง ใครเป็นผู้สร้างโลกอะไรนี่อะไรนี่อะไรเนี่ ย, ย, ยแล้วบางคนอย่าอยา่อย่ามายุ่งยากอย่ามาเจ้าเจ๊อะไรกับฉันในเรื่องนี้โลกมีพระเจ้ามีพระเจ้านี้ม่ใช่ประเด็นขอให้ฉันมีความสุของฉันก่อนแล้วบางคนบอก็ไม่ใช่คือถ้าหากว่าโลกนี้นี่ที่ไปที่มานี่มีพระเจ้าจริงอนะเรื่องใหญ่นะมืนคดีใหญ่นะโว้ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะ เราต้องรู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ทําไมสร้างเราทําไมแล้วถ้าเราจะกลับไปหาพระเจ้านี้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยวางแผนทีนี้คนที่จะพยายามบิดเบือนคําตอบบอกว่าคําถามนี้มันมีนะโดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเลยเราเดินทางถนนนี้เนี่ยก็เห็นที่ดินแปลงนี้นะครับรุกตลอด เป็นป่าเป็นต้นอยู่ดีๆวันดีคืนดีนะนะครับที่แปลงนี้นะกลายเป็นบ้านเป็นกระหางเป็นวังสวยงามมีห้องหรูหรามีต้นไม้สวยงาม ใ, ใครทําำถามมันต้องเกิดขึ้นใครทาใครสร้างบ้านใครจัดการใครเคลียร์ใค ร, คใครไอคนนี้มาบิดเบือน่ะ บ้านนี้มันมาเองไอทีนี้มีมันถูกทําความสะอาดเองมันเองเองอะไรทุกอย่างเองบิดเบือนเอ้ยเรืมันจะง่ายอย่างนั้นเหรอยิ่งถ้าเราได้รับความรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในหะนะ่าสมมติเราเป็นเจ้าหี่ของเขตอย่างเงี้ยแล้วไอทีนี้สร้างอาคารขึ้นมาไม่ดีขอใบอนุญาตแล้วก็ต้องมาได้ยงไงอะไรยังไงต้องถามดิ แล้วคนที่ต้องการบิดเบือนข้อมูลคนเหล่าเนี้ยคือคนที่ไม่หวังดีกับเราไม่หวังดีกับสังคมมนุษย์เรียกว่าเป็นคนที่อาธรรมเป็นโอลิมโซลิมนี่ไม่ใช่คนที่ฆ่าอย่างเดียวไม่ใช่เชโกนอย่างเดียวไม่ใช่คนที่ละเมิดชีวิตและทรัพย์สินอย่างเดียวนะคนนี้่ละเมิดศีลธรรมต่าง Allah จึงถือว่าการตั้งภากีกับพระองค์นี่คือ ظ ุ م อัน ظ ิมโบลลตุชรีบิลลาห์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์การตั้งพากย์นี่เป็น ظلم เป็นการอธรรม عظ ิมมากักใจหลวงตั้งพากี์เน ظلمظلم อะรอุามบางท่านเนี่บอกว่า ظلمAllah ท่านอื่นบอกว่า ไม่มีใครไม่มีใครบังอากที่จะสุุม l l a h สุลุมสุลุมใครอ่ะสุลุมกันเองอุปโลกภากีไงตั้งภากีกับ Allah แล้วไิริกกับ a l นี่นะอธรรมสังคมมนุษย์อธรรมปัญญาของมนุษย์บิดเบือนความจริงของมนุษย์แทนที่จะให้คนเนี่ยรนรงให้คนเนี่ยรู้จักพระเจ้าเดียวสการพระเจ้าเดียวไปตั้งภากี ไปทำชิริกนี่นะบิดเบือนความจริงและสัจธรรมก็เท่ากับเจ้าของที่ที่ดินนี้เนะี่ยมีอยู่เจ้าเดียวแล้วเราไปบอกกับชาวบ้านเอ้ยเจ้าของที่ดินเนี่ยมีอยู่สองสามเจ้าเจ้าของแท้จริงเนี่ยเขาจะว่างไงเจ้าของนี่บอกว่าไอ้ที่ดินเนี่ยฉันไม่ได้เก็บไว้ให้ตัวฉันเองที่ดินนี่ฉันเก็บเก็บไว้ให้แก่ ไอคนที่ไปบิดเบือนนะบอกว่าไอ้ทีดินเนี่ยของคนนู้นคนนี้น่ะเฮ้ยทำทำไมไงทีดินเนี่ยฉันไม่แกนะแล้วแกไปบอกว่าเจ้าของนี่มันคนอื่นได้ไงเนี่ยเรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างโลกนี้ให้เนี่ยว่านี่เพื่อใครเพื่อให้เราแต่เรากลับไปตั้งบากีอ่ะที่ต้องเคารพสักการะคือนู่นนี่นี่องโน่งองโน่แล้วก็องนี้ล่ะนี่บิดเบือนอาธรรมตัวเอง พระกอบด้วยที่ดินนี่เพราะเราทําแบบนี้อดที่เจ้าของที่ดินบอกว่มาทําอย่างนี้ก็อดไม่ให้คนที่บิดเพื่อนความจริงนี่นะไม่ต้องรอนานเพราะอัลลอฮ์สุภาเนื้อเวลาได้วางแผนไว้ในโลกนี้นี่ว่าความจริงต้องปรากฏเราต้องเชื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ออบบันา เราสร้างโลกนี้จักรวาลนี้สรรพสิ่งสร้างมนุษย์เนี่ยเล่นๆล่ะสร้างให้สร้างให้ความเิดนี่มามากลบความจริงอ่ะให้ความไม่จริงมามาบิดเบือนความจริงแล้วก็ปล่อยให้มันอย่างนั้นเหรอละด้วยเานันอัลลอฮฺฟิลันฮัมมาอย่ามนุษย์ลิุนยะคิดยาคาดยะสงเัยมทะ้อยอัลลอฮฺ سبحانه และเพื่ จากสิ่งที่พวกจอริมเขาเตรียมกันทำกันวางแผนก็แล้วไม่เผืนะ่อนะอัลลอ์ไม่งง น, นะอัลลอ์ไม่ได้นะอ่อนแอนะอัลลอ์ไม่ได้เพิกเฉยนะอย่าคิดว่าอัลลอ์เป็นแบบนั้นเรารู้แต่เราต้องทํทตัวอยางไงทําใจยังไงเราต้องตระหนักต้องเชื่อว่าอัลลอห์ سبحانه และเตลัลจะจัดการคนที่บิดเบือนความจริงคนที่กลบคาตอบ คนที่ขัดขวางคำตอบต่อคำถามต่างๆเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้แล้วก็ทำนี่พวกยินกระดิสตักษ์ร์ูมินอลเอ็นซี่ทำนีน่พวกยินเนี่ยเออไปเอามิดมาจากพวกมนุษย์นี่เยอะเหลือเกินมนุษย์นี่มาตอบแทนอั บ, บ้านสัมต้าบ่าวดูนาบิบ่าวที่จริงเนี่ยเราก็เ อ, อือ ควาสุขซึ่งกันและกันเรานี่มาทาชิริกด้วยกันเราเนี่ยมาทำเสศาดด้วยกันมาตกลงกันแล้วได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันมีข้อตกลง a l l a กระบอกว่าเจาระเจอ้พระเจ้้ะอะอาอรราะะาาเ้ะระารอ้อ ต้องการบิดเบือนต้องการกลบคาตอบที่เกิดในโลกนี้ระหว่างยินกับมนุษย์ที่ทำข้อตกลงกันแล้วก็ บ, บิดเบือนความจริงบิดเบือนสัจธรรมและสุดท้ายในวันเกียรมานีก็ต้องมาเปิดเผยข้อที่จริงที่เกิดขึ้นระหว่างยินและมนุษย์วกาศอลิกะ เช่นนี้แหละแบบนี้แหละในทํานองนั่นแหละทํานองอะไรทํานองที่เราได้เห็นยินกับมนุษย์เนี่ยในโลกนี้โอ้ยเอื้อกันเอือเอ้อประโยชน์ซึ่งกันและกันไอ้นี่เดี๋ยวก็ทําของไอ้นี่ก็นสนองไอ้นี่ก็สั่งไอ้นี่ก็ทําเขาก็เห็นกันอย่างเงี้ยแต่พอวันเกียรมาเนี่ยไปเจอแล้วนี่นะสองคน น, งงนี่มาสารภาพสองสทีมเนี่ยมาสารภาพกันะ แ, แล้วก็เปิดเผยทุกอย่างน่ยอ๋อ มันก็อย่างนี้กันเองนี่ว่ากระเด็ในทานองนี้แหละพวกเจ้านี่อย่ารีบหาอย่ารีบหาคำตอบทันดีทันใดทันทีทันใดไม่คาตอบนี่มาแน่นอนทาไมแค่เช่นนี้แหละในทำนองนี้แหละที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนวลลีบาอัลีมีนบาดัมบิมาคานยักิบุ เราจะให้บางส่วนของผู้อธรรมทั้งหลายเป็นสหายกับอีกบางส่วนผู้อธรรมยินเป็นสหายกับอีกบางส่วนก็คือมนุษย์บิมาแกโนยักษ์สีบุญกับอีกบางส่วนเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาขนขวายกันนั่นจากที่พวกเขานี่มีแผนกัน มีในอุบายกันนักเสพสัตต้องการอะไรต้องการสนุกต้องการบา ร, รมีต้องการความเท่เดินบนน้ำนี่คนโอ้โหบวมมือกันทั้งโลกมีไอ้พวกมายากลนี่มี ม, มีมีเรื่องยินเกี่ยวข้องโดยเฉพาะล่าสุดนี่ที่มีไอ้ไอตัดเป็นท่อนๆนั่นอะ มีอาศัยอำนาจของยินในการลวงตาเพราะมันมีเสพดีอย่างหนึ่งคือเสศาสตรลวงตาและหนึ่งเสพดีที่นักเสาสตรสมัยฟราอนเขาจลวงตาชาวบ้านล่าว่าฟาสัพห์ออาอูนันนัสอัสตรฮบ เศษาสตร์เขาไม่ได้ทําให้ไม้ในเป็นงูจริงแต่เสสาสตร์เขาเนี่ยลวงแตาสหารูอายุนันนาสอายุนตาเขาได้ทำเศษศาสตร์ใส่ตาลวงตาผู้คนให้คนได้เห็นไม้เป็นงูเลยแต่มันไม่ใช่นักเสสาสตร์ นักมายากต้องการบารมีต้องการความเท่ยินนะยินต้องการต้องการยุ่งกับชีวิตของมนุษย์ต้องการมีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์คนเรานี่เวลาเคยขี่ม้าไหมคนที่ขี่ม้าเนี่ย จะรู้สึกฮึกเขิมอมากกว่าตอนขับรถทำไมอ่ะม้านี่มีชีวิตเคยขี่ช้างไหมะขี่ช้างไม่เหมือนขี่รถนะไม่เหมือนขับรถสิบล้อนะมันมีชีวิตนะเขามีชีวิตนะเพราะเราขี่ม้าเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่กำลังคล้องสิ่งที่มีชีวิตยิ่งถ้าม้านี่มันเท่มันวิ่ง มา้านบังตัวนี้ไม่ได้วิ่งนะมันเต้นระบำเลยนะนแล้วคนที่ขี่ม้านี่เขาจะรู้สึกเพ่ไปด้วยยินก็เหมือนกันแล้วมันเข้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความสุขสุขตรงไหนยอย่ะฉันครอบครองมนุษย์แท้จริงคุมมันมันก็จะสนุกมีสนุกของมันแหละสนุก เคยเห็นอโลมาไหม hmm. เขาไม่เรียกป่าอโลมาวะถูกต้องปะให้ได้อโลมาโลมาเคยขี่โลมาไหมขี่่ะอันนั้กระเทนนะอุย้ยผมนี่สงสัยนะว่าป่าโลมานี่มัน ยินหรือเปล่ารเราเองเนี่ยเวลาครอบครองหรือควบคุมอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่ามีควา ม, มความสุขยิวนพอมันเข้ามาควบคุมชีวิตของเราด้มัน ม, มีความสุขมันก็ทําข้อตกลงกับมกนกเสศาศเนี่ให้ฉันช่วยไหมดูฉันจัดการให้ต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะถ้าไม่มีเสศาศในยินก็นเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราไม่ได้ มันเป็นการเอื้อประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยขนขวายกันต้องการกันและการที่ Allah ได้จัดสรรให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมาเจอกันมาทําข้อตกลงกันอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดถึงจะเกิดความเสียหายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมดเนี่ยนวยลี เป็นการจัดสรรของ Allah s u w t เราจะให้อัลลอ์เป็นผู้กำกับกำหนดให้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นคำตอบสำหรับคำถามหลายอย่างในโลกนี้เพราะสิ่งที่เราได้จัดสรรไว้ในโลกนี้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการ คลื่อนไหวบางประการจะได้นําไปสู่คําตอบตอนท้ายเราจะไม่ผ่านนี่ยพ่อแม่ตีเราจนมันฝังอยู่ในใะจว่าทำไมพ่อแม่ที่เราแต่พ่อแม่เขาก็เลี้ยงต่อนะไม่ไไม่ได้ตีแล้วก็ไล่นะเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อจนโตจนช่วยให้เราแต่งงานให้เรามีลูกพอมีลูกแล้วเนี่ยลูกโตแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้ตีแล้วไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเราต่อนี่นะเราจะไม่ถึงจุดที่จะได้คําตอบว่าอ๋ที่คนตีนะแสดงว่าชีวิตของเรานี่นะไม่ต้องห่วงนะสําหรับคนที่แสวงหาคําตอบคนที่ต้องการการอธิบายในทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นี่นะคําอธิบายเนี่ยต้องมาแน่นอนถ้าเราถ้าเราตั้งใจหาคําตอบ อยู่ที่ว่าเราจะใช้สมองยังไงเราจะช่วยโอกาสในการหาคำตอบในสถานการณ์ยังไงอะไรที่จะช่วยให้เราหาคำตอบลัทธิอุปนวสัยอาได้กล่าวต่อมา يا معشر الجن والإنسى ألم يأتكم ر س ل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي وينذر نكم ل ق ا ء ي ا م ك م هذا أم مند أم ين ل مند تلاه كم هذا؟ نكمل. ที่ a ถามยินคดิสตักเตอรตุมมินลอินซพวกเจ้านี่มีสหายเยะเหลือเกินจากพวกมนุษย์มนุษย์ก็ตอบมาบอกว่ารับบัลลัสตัมตั้งอธิจริงนี่เราก็เสวยงานความสุขสงบละกันเราพวกเดียวกัน Allah ก็เลยตั้งคําถามนี่อัลลมิอาิคุมรุสุลุมมิงคุมยามะชาร์ลจินนี่โอ้ยินแล้วมนุษย์ทั้งหลายหมายถึงว่าหลังจากที่เขาได้สารภาพกันแล้วต่อหน้าล l l a h ในวันเกี่ยมาหรือ อายะนี้อัลลอฮ์เรียกมรดลและในโลกนี้เนี่ยให้สั่งสอนใช้ได้ทั้งสองกรณีอัลลอฮ์บกอัลลอฮมอุมรุสลุมิงคุมบรรดา ر س ูลจากพวกเจ้าคือบรรดา ر س ูลที่เกิดมาจากพวกเจ้ามิได้มายังพวกเจ้าหรือเถอะเลาส่งไปเนี่ยเถอะเลาได้สถาปนาให้บรรดาจากพวกเจ้าเนี่ย ไม่ได้มายัางพวกเจ้ามาทําหน้าที่มาสั่งสอนมาบอกว่าไอ้ที่ทำเ ส, สารศี่ไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้ไอ้ที่มาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่มีบรรดาราซุ่มาบอกพวกเจ้าหรือมาเล่าบอกสําหรับยินและมนุษย์ที่ปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงที่มายอมรับในวันปราโลกที่ปฏิเสธความจริงและสุจ ร, ริต ไม่มีรัสูลที่มามาอ่านมาเล่ายุซูนอะคุมอายาตโดยที่พวกเขาจะบอกเล่าแก่พวกเจ้าอายาตีซึ่งบรรดาองค์การของข้าของฉันไม่มีหรอไม่มีหรออุลามะกเรยกว่าอิสติฟามอิสคำถามแต่วาซาออาระเบียอิสติฟามอิครีเป็นคำถามตำหนิ ถ้าคนสมมติว่าคนเข้ามาเข้ามาแล้วก็เคยมาเรียนแต่ซีรกราลาวัะนะเข้ามาเชนดิโดออยู่ไหนจะตอบเขามาั้ยตอบอยังไงอ่ะไม่เห็นเหรอห <c oughs> รือว่าอีกคนเัีจะปั่นไส้หน่อยอะนะมึงไม่มีตามองเลยมึง <c oughs> หรือว่าถ้าใครอยากจะมั่นไส้ามากที่สุดนะนะคนที่ไม่ชิ่เราบอกว่ากูนี่แหละเชือคือ <c oughs> อะไรที่มันชัดอะนะก็จะมีคำตอบที่มันมันตำหนิหน่อยชัดเลยว่าอัลลอฮ์ส่งนบีรัสูลทุกยุคสมยัยบรรดายินบรรดามนุษย์เนี่ยยอมรับเลยยิ น, ยนสมัยน บ, บีสารภาพวานี่เขาเขาฟังเขาฟังคุรอ่านแล้วนะ والأوحي إليه أنه استمع ن ظ ر من الجن فقالوا إن ا سمعنا قرآنا عجبا دينه هي لا القرآن لأن يزور أحقابنا إن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى بمعنى คือเขาบอกว่าเราได้ยินแล้วคำพี่ถูกประทานลงมาหลังมูซาแสดงว่าเขกาก็รูว้ว่ามีนบีมูซารู้เ่ากินนี้ก็รูวรร้ว่าวมีนบีั้งหลายนมียังไงมีคำภีอะไรบ้างรู้อัลล์จึงตั้งคถามทาี่มันชิงตาหนิซาลาก็เรียกนันอิสติฟอินครีหรืออิสติงครีมีรู้จริงเหรอไม่ไดรับรู้เลยเหรออลลออยากุุ้ลุมิุมม าลาอะรษูลจากอ AH ัที่ AH ส่งไปเนี่ยยังพวกเจ้าจะได้เล่าบอกองค์การเล่าบอกอ้าย ات ีคําสังสอนอัลลอฮ์เนี่ยายุนทรุนคุมและเตือนพวกเจ้าเตือนพวกเจ้าลีกว่าอ้ายามีคุมซึ่งการพบกับวันของพวกเจ้านี้อ่าแสดงว่า อายะเนี่ยคำพูดเนี่ยในวันเกียรมาไม่มีหรอที่ที่บอกว่าเดี๋ยวเตือนเดี๋ยวต้องพบอัลลอฮ์เชกเช่นที่พวกเจ้านี่ลังสารภาพกำลังคุยกับฉันเเนี่ยเป็นการเล่าสถานการณ์เหมือนสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ในเะชิงภาษานี่ยมันลึกซึ้งในการให้เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสมือนว่าอนาคตนี่มันเกิดแล้วและเป็นอดีต มันยิ่งมันยิ่งซึ้งกับความแน่นอนของมันแสดงว่าเครื่องมือในการที่จะหาคำตอบทุกคนมนุษย์ละาเหนเครื่องมือในการที่จะหาคำตอบเนี่ยที่อลัลลอ์ให้มา และอยู่กับเราแล้วทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้ในกระนั้ น, น ค, คือบรรดาราซูลที่เอาอายะเอาองค์การจากอัลสอฮฺนสลาะลอฮความตระหนักของพวกเราในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นคำตอบชัดเจนสำหรับคนทุกคนที่จะมีข้อสงสัยใดๆคำถามก่อนรู้บ่าว่าพระเจ้านี่สงรงซูลมารู้บ่า ไม่รู้อาจจะตศึกษาละรู้ป่าว่าพระเจ้านี่ส่งคาบีไม่รู้อาจจะตงศึกษาละแต่ถ้ามีแล้วรู้ว่ามีอัลสุลแล้วรู้ว่าโลกนี้เนี่ยมีบรรดาศาสนาศาสนาที่พระเจ้าส่งมาแล้วรู้มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่รู้ความประจักษ์ชัดที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงขั้นในศามตระชาชาติ สร้างอาคารที่นิวยอร์กห้องประชุมของสภาความมั่นคงจะมีภาพแล้วก็รูปปั้นที่เล่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคหรือในยุคสังคมที่เซกล่านี่ก็เรื่องศาสนานี่เขาไม่ได้แต่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่า บรรดา ن บ ي รัสูลเนี่ยมีจริงเขาก็เลยเอาภาพของบรรดารัสูลศาสดาที่มีในในอดีตเนี่ยเอามาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มนุษย์โมเสสเยซูและมุฮัมมัดอยู่ในห้องของสถาประช า, ชาติอยู่ผิดไม่ผิดนี่อีกประเด็นนึงอะนะเดี๋ยวหาว่า แต่การเล่าก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยซึ่งแกนนําผู้นําของโลกที่เขายินยอมรวมประชาชาติทั้งหลายแล้วก็สร้างศูนย์รวมของประชาชาติแล้วก็สร้างอาคารจะได้มาประชุมกันด้เราจะมาประชุมกันคุยกันให้เป็นตัวแทนของมนุษยชาตินี่มาคุยกันนะเขาบอกว่าเออพอจะสร้างอาคารเนี่ยเราต้อง ทำอะไรที่มันสื่อถึงความเป็นมนุษย์อ่านเล่าประวัติของมนุษย์เนี่ยพอมาเล่าประวัติมนุษย์เนี่ยครบที่สุดไม่ได้เพราะในประวัติเนี่ยมีบุคคลเหล่านี้มีบุคคลเหล่านี้มีมูฮัมหมัดใครอะมูฮัมหมัดในปัจจุบันนี้จะมีคนนี่เล่นเน็ตพวกพวกคุณเคยเข้าเว็บอัสมอัสเอเอสเ เคยเข้ามาเคยเล่นมาคนไทยนี่ไม่เคยเข้าโนอยเว็บนี่ดังมากนะเว็บนี้ให้ใครก็ได้ในโลกนี้อยากจะถามให้ถามใครอยากจะตอบฉันตอบอ น, น่าสิถามมาดิคุณก็สมัครไปสมัครอยากจะเป็นคนสมัครถามหรือสมัครตอบ พอคุณเข้าไปถามมนะันอ่ะโอ้โหคําถามคุณนี่อาจจะมีคนถามมาแล้วเนี่ยเป็นล้านครั้งอะนะและคนที่ตอบอาจจะเป็นล้านคนพอเข้าไปแล้วนี่คุณอาจจะได้คําตอบของคําถามของคุณเนี่ยเป็นล้านคําตอบก็ได้แต่คําตอบที่มันหลากหลายนะสารพัดมนุษย์นะทุกอย่างแต่ไม่ค่อยดังในยเมืองไทย บางไทยนี่ก็จะดังไอพวกนี้แหละด่าตำรวจสีนาทีนียกี่ครั้งีอของพวกนี้น่ะดังดังเรืเอิๆจริงนะเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มันมีประโยชน์จริงๆนะนะบ้านเรานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่กัน คนที่เข้าไปในเว็บเนี่ย่งปัจจุบันเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยเป็นเป็นเป็นร้อยล้านเอาอย่าง Facebook อย่างเงี้ยเขาบอกว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดโลกนี่ประเทศไหนประเทศเฟซบุ๊กไม่ใช่จีนไม่ใช่อินเดียนะแต่ก่อนโ น, น้นจีนเนี่พันล้านอินเดียพั0สองรอล้านตอนนี้เฟซบ o ๊กเท่าไหร่ฮะ เฟซบุ๊กเนี่ยเกือบสี่พันล้านแล้วแล้วสี่พันล้านนี่อย่างคนจีนน่คนอินเดียเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีข้อผูกพันกับรัฐเลยนะแต่เฟซบุ๊กนี่ไม่นะครับสมัครนะมีชื่อนะมีตัวตนนะแล้วเขาดูแลที่เคยังดีนะถ้าเราไปไลค์คนนี้สักร้อยครั้งแล้วเขาก็กมาไลค์เราร้อยครั้งเนี่ยเขาก็จะมีนะส่งพอถึงเวลาหนึ่งปีเนี่ย รู้จั ก, กันไลก์กันนะะเขาก็จะส่งส่งอวยพรบอกวคนเนี่ยโอ้โหพวกคนสองคนนี้สนิทกันเลยไลกกันสนุกกันเหลือเกินขอแสดงความยินดีในความเป็นมิตรแล้วโห้นี่ไม่ใช่ประเทศธรรมดาเนี่ยเพราะเราเนี่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยไม่เห็นมาสนเอาหัวมาสนใจเลยใช่ไหมแต่เฟซบุ๊กนี่ดูแลดีเลยคนเกิดนนะ่ะโอ้ รู้ดีว่พ่อแม่มันเกิดเบิร์ดเดย์อะไรมาเลย <laughs> ไม่ใช่อย่าว่าเบิร์ดเดย์เบิร์เดย์ของเราคนเดียวนะเบิร์ดเดย์ของเพื่อนด้วยคนนี้วันเกิดห น, นึ่งอย่าลืมนะส่งไม่ธรรมาดาประเทศอะไรแบบนี้ <laughs> ประชากรก็นสนุกสนานกันนะครับคนบางคนนี่นะสองคน่ในเฟซเดสนด์นสนด ก, กันนะนะแต่คนละชาติกันนะ กคนนี่เนี่ยกระชั้นนี่นะสันย่งก็มากกว่าคนในชาติเดียวกันถ้าหากว่ามีคนนี่มนุษย์เนี่ยในโลกนี้เนี่ยได้ ใ, ใช้เครื่องมือปรกอแล้วก็มุฮัมมัดใครครยมุฮัมมัดกอา่านอะไรกูรอา่านเขาคงคงมันรับไม่ได้เนาะคนจะว่าหาว่าเออฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกประกอบน น, นเขาแซว ก, กันประมาณ เจ็ดปีที่ผ่านไปแล้วเจ็ดปีนะเจ็ดห้าปีนะโกเกิ e ต้องขอโทษนะดังมากเขาก็แซวกันนะบอกว่ามีคนเขาเขาทำภาพแคปหลอกกันนะเป็นภาพหลอกลวงว่าเขาถามถามโกเก l e บอกว่ากุญแจรถฉันลืมไว้ที่ไหนอันนี้ประมาณห้าเจ็ดปีนะ g o เก l e ก็ตอบว่ากุญแจรถเนี่ยลืมไว้อยู่ต๊ะ ไข่ที่นอนไข่เตียงตอก่อนนู้นเป็นเรื่องเซลล์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบอกว่ารืจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าอะไรที่มันกลัวหายเนี่ยเราสามารถที่จะบรรจุมันอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีที่สามารถทําได้เขาบอกว่ามือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราบริหารทุกอย่างในบ้านอยากจะอยากจะปิดแอร์เปิดแอร์ก่อนจะถึงบ้านนี่ปกติแล้วนี่ เข้าบ้านเปิดแอร์โอยแอร์ก็่าจะเย็นนะน่าไม่เขาบอกว่าเดีนี้เนี่ยคุณสามารถเปิดแอร์ขับรถเนี่ยเปิดแอร์ก่อนถึงบ้านนะพอเข้าห้องเนี่ยมันมีแล้วครับแต่ไม่รู้เมงไทยมียังมีแล้วครับแสดงว่าลูกนี้มันอำนวยการค้นหาความรู้ที่มันยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เรื่องใหญ่คดีใหญ่อย่างนั้นมีรสลมาหาเรามีคำพีอัลลอฮประทานลงมาใครจะมาอ้างว่าในยุค ป, ปัจจุบันนี้เนี่ยที่อยู่ในเมืองเจริญแล้วที่เล่นเน็ตแล้วจะมาอ้างว่าฉันไม่รื่องฉันไม่รู้ห้ามมจริงเหรอมีด้วยเหรอเป็น <laughs> ไปไม่ได้แล้วมีอดิกรมรุสุลุมิงกู ซึ่งเป็นคำเป็นคาถามที่อัลลอฮฺสุบไพาด้ตัหนิไงคนที่สามารถค้นหาความจริงและสัจธรรมแต่ทำไม่ไม่รู้ไม่ชี้อัลลมีอะไิที่งรู้สูรุ่มึงโอ้ทั้งยินและมนุษย์ทั้งหลายบรรดาราซูลจากพวกเจ้ามิได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือโดยที่พวกเขาจะบอกเล่าแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาองค์การอายะต่างๆในคำสังสรรต่างๆของข้าของ a ล l a h และเตือนพวกเจ้ า, ามี a ลล a h แล้วก็มีอะไรมีวันปรโลกซึ่งการพบกับวั น, วนพบกับวันของพวกเจ้านี้จะไม่กุัฮาซะกาลูชัยดนาอลาอฮ์ฟุสีนะ่าอินละมนุษนี้ต้องสารภาพดนีพ้นไม่ได้ พวกเขากล่าวว่าพวกข้าพระองค์ขอยืนยันแก่ตัวของพวกเขาต่อคนของพวกข้าพระองค์เองมาไม่ใช่เขาพระองค์นะข้าพระองค์พวกเขากล่าวว่าพวกข้าพระองค์ขอยืนยันแก่ตัวของพวกข้าพระองค์เองใช่นาฬามุสินะขอขอยันต่อพวกเราเอง ตัดคำราชสา์นีมันก็จะเข้าใจง่ายเลยนะพวกพวกเขากล่าวว่าพวกเราขอยืนยันแก่ตัวของพวกเราเองอ่าง่ายไหมมีไปที่เรานี่มีปะ่ะราชส์นีมีไหมยังมีเหรอระบบกษัตริย์ยังมีเหร อ, รบ อ, บ เ, หรอเอ็น ไ, ไ ม, มันนี่พ้นไม่ได้นะของของมันมีมาแล้ว เขาบอกว่าขอยืยนสรภาพว่าตอบพวกเราเองในวันเกียรมานี่ขอยืนยันนะว่า ه, ه>, <ن ه> د, أ د ة ا> ن ا ب على س ب س ن ا ก็ขอเป็นสกีไยานัว่าเออมา نبي อัลกุสุลคำพิ ه د ن ا على ب س ن ا ว่ากรดฮุม الحياة الدنيا แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่อัลลอฮ์ที่บ้าละก็เขสารภาพดีแตไมขหลง่ะอัลล์ถาม م ي رسولنا بي م م ي خيام م ي لذا ما يلا ا ل ل ر ت ه م الحياة الدنيا لا واهني سدامني لا ضرتهم الحياة الدنيا شو يد كم ب ن ي و ه ن لوك ن ี้؟ได ه ل ل و ا ن و ه م دنيا لغلوان เข้า YouTube กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วคนอะไรบ้างวิธีเลี้ยงกลุ่มวิธีเลี้ยงกระต่ายทำข้าวหมวกยังไงพิซซ่ารสชาติมาร์เลียอันนี้คนได้อันนี้เสาะหามานะักสูงมากในการที่จะทำยังไงให้ ขนมทับทิมกรอบนี่มันหอมเหมือนคุณยายที่เขาทำยูทูบมีคาตอบมีคำตอบหมดเลยก็มีสองอาจารย์เดี๋ยนี้อาจารย์ที่ดังที่สุดอาจารย์กูกับอาจารย์ยูอาจารย์กูกับอาจารย์มึงกูกับยูกูกันกับยูทูบ ถามไดทุกอย่างมันก็ตอบแต่ไม่ถามเรื่องที่มันมันมีคุณค่ามันมีความสำคัญในชีวิตคำถามว่านักวิชาการตอบพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า YouTube, เพียบเลยแต่คนนี้ไม่อยากจะศึกษาเรื่องนี้เน่นะเขาคิดจะเข้าไหมเอาไม่ยูทูบเน่ไปดูคลิปเต้งคลิปโป้คลิปอะไรเนะี่ยอันนี้ อันนี้นหาง่ายแล้วก็มีด้วยว่าการดุเนยนชีวิตของโลกนี่แหละที่มันหลอกลวงเขามีไม่เวลามีเวลาไหมมีเวลาถ้าจะเอาเวลาเนี่ยมาค้นหาความจริงไงถ้าส่วนมากของเวลาของเขาเนี่ยเล่นบอลเที่ยวดูหนังดูละครทำามากิน โกหคนนูนด่าคนนี้ว่าคนนู้นใส่ร้ายคนนี้วางอุบายกับคนนู้นถ้าชีวิตเนี่ยมันอยู่กัรดุนยาแบบนี้นะแล้วเวลาในการค้นหาความจริงเนี่ยมันจะอะไระมันจะมาสถีการรทุมขอตดดุนยาการหลอกลวงของโลกเนี้ยบางทีเนี่ยคือคนที่ถูกหลอกันนะ บางทีก็ไม่รู้ว่าเขาถูกหลอกแต่บางทีเนะ น, นี่ยคนถูกเหล่านี้รู้ว่าโดนหลอกกันนะแล้วสนุกกับการโดนหลอกด้วยสนุกกับการที่เขาโดนหลอกด้วยเจงไม่ยอมหลุดพ้นหรือไม่ยอมปลีกตัวออกจากการหลอกลวงพี่ร่างว่าไหก็ถามชาวบ้านมากกว่าทําธุรกิจไหม ลงทุนพ0 0บาทจะมี hehe, โอกาสที่จะได้กำไรห0สล้านเอาไหม use, เอาเอาแต่เปอร์เซนในการได้โอกาสได้กำไรห0สล ah, ้านก็คือศูน0์จุดกศ เอาไหมเอาใครบ้าจะเอาโบกบ้ากันทั้งประเทศีซื้อโรตารี่นี่แหละยอมจ่ายท้ายหัวละท้ายเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันบาทนะไม่ต่ำกว่าพันบาททําไมอยากอยากได้รางวัลใหญ่นี่หกสิบล้านใช่ไหมแต่โอกาสที่จะได้ล่ะศูนย์จุดก็คือจำนวนที่ก็พิมพ์โรตารี่นี่แหละ ซือกันดประเทศนี่กี่สิบล้านคนนะก็คิดเลยล้านนี่ก็หกศูนแล้วอะ่ะแล้วก็เสี่ก็อีกศูนย์หนึ่งอะ่ะนะแล้วโอกาสที่จะได้ละ่ะเลขตัวเนี้ยจะได้ขึ้นแล้วไปคูณอีกคูณอีกสองหรืออีกสี่หรืออกหกนะถ้าหากว่ารางวัลให ญ, ญ่เนี่ยต้องมันต้องเขาเรียกอะไรนะต้องชุดนึงอะ่ะเออ โอกาที่จะได้ชุดน่ะมันต้องคูณไปอีกใช่ไหมว่ายอมลงทุนกันมห้ยอมไยอมนี่อะไระกรรธูม الحياة ทุก ن ดืนความจริงมีชัดเลยว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันบัสุบนักศาสนาตัวประเสศบอกว่าบาบทุกศาสนานีนบอกว่าบา แล้วไปถามคนที่มีฮหตุมาหน่อยนี่มีปัจจาหน่ยบอกว่านี่นี่คือความโลุกชัดเจนความโลุกแต่รัฐบาลสนับสนุนความโลุกแล้วคนก็กรุนรงลงกันและเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นหนทางหนึ่งในการทำมาหากินไม่ใช่ไม่ใช่ของประชาชนอย่างเดียวนะไม่ของรัฐบาล จนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งสถาบันอันนึงขึ้นมาทั้งชื่อว่าอ่ะสลากอะไรนะอกองสลากอะไรนะกินกินและแบ่งกินและแบ่ ง, ง, บ ง, งคือมันชื่อโบราณโบราณชื่อนี้ประมาณ 60-70 ปีอะ่ะชื่อโบราณมากกองสลากกินแบ่งแล้วอะไรคนที่ตั้งเนี่ยมาเปล่า นี่ตั้งชื่อนี่เหมาเปล่ากินแบ่งรัฐบาลอะไรคือกินแล้วแบ่งไงคือเองกินเองได้แล้วแล้วก็แบ่งให้รัฐบาลนี่คือเป้าหมายจริงนะอันนี้ น, นี่คือตรงไปตรงมาเลยนะคือซื้อหวย ก, กันใช่ไหมส่วนหนึ่งจะเอาไปรางวัลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกองสลากของของรัฐบาลเอาไปสร้างโรงพยาบาลเอาไปนะไปสนับสนุนสำนักไปโ น, น เคยมีนะไม่อยาอ่างนั้นไปสร้างเสาอาซานแถวคลองตันมีข้อป่ะคลองตันเนี่ยไปสร้างเสาอาซานบ า, บางคนเนี่ยไม่ยอมไปละหมาดนะนรู้ น, นี่รู้จริงแลวทีหลังในเสาอาซานนี่าานนก็สุดพังผมไม่ทันนะเสาอาซานกินแบ่งรัฐบาล ประชาชนจะกินนัฐบาลก็กินบนฐานแห่งความโง่ของประชาชนของคนโง่ที่จะยอมยอมซื้อชุดหวยนี่พันบาทสองพนบาทใน้โน้มมีคนนี่ถูกหวยไอหกสิบล้านนี่นะลงทุนไปสามแสนสามแสนเนต้องซื้อกี่ชุดเนี่ยเป็นพันชุดนะทำไมอะ่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสก็อย่างนี้เนคือ ย, ยิ่งลงทุนนะนะยิ่งเพิ่มโอกาสใช่ไหมยิ่งเพิ่มโอกาส ไม่ใช่ยิ่งลดความเสี่ยงไม่ใช่เพิ่มโอกาสหรอกไม่ไไม่ไม่มได้เพิ่มมันไม่มีโอกาสมันแทบไม่มีเลยอ่ะมันคือลดความเสี่ยงมากกว่าขยับไอ้ตัวศูนยี่แค่ขยับเท่านั้นแหละลง ท, ทุนไปสามแสนถ้าดันโดนจริงนะถูกจริงความโง่ของค น, ค, น, ค, นความลูภความโง่ของคนว่าการดูมุ่งเยียดติดดุนย์ แต่ในวันนั้นน่ะนะครับในวันที่เขาเห็นแนละสัจธรรมทุกอย่างเนี่ยใช้ตัวอาลามุสิมพวกเขาก็ได้ยินได้ยืนยันอาลามุสิมแก่ตัวของพวกเขาเองยืนยันว่าสภาพนั้นนะ่ะที่เขารู้ว่ามีระซลมามีคำบีมาแต่เขายอมถูกหลอกยอมถูกหลอกลวงจากดุนยาจากาตุดุนยาเนี่ยว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธายอมรับ ตอานานั้นนะนะที่เราสภาพของนัน่นนะคือการปฏิเสธการศรัทธายอมรับละยอมรับนี่คือถ้าภาษาเรียกันมัชชัดอัลกีนี่คือฉ า, า, สากาสุดท้ายอัลลอฮ์มาแฉให้เราได้เห็นฉากสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะนั่นถ้าว่าเราได้รู้ว่าฉากสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วถ้ามาเทียบวุตรอ๋อดีเขามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขบาลกรวลก็เออนี่เนี่ยนี่เนี่ยที่กำลังกำลังประสบอยู่นี่แหละที่มันจะทําให้ฉากของเรานี่ก็คือฉากเดียวกับกับเนี่ยยินและมนุษย์พวกเนี่ยแล้วท้ายเนี่ยเขาก็จะยอมรับวกาเขานี่นี่แหละคือการปฏิเสธการศรัทธาปฏิเสธการศรัทธาคือกาเวสนี่ยอะคนที่อ่านรับรู้แบบนี้เนี่ยก็ต้องมาทําอะไรมาพิจารณาตัวเอง คือพิจารณาว่าสภาพการหลอกลวงเขาจะยอมไหมตัวเองเนี่ยถูกหลอกลวงจากโลกนี้จากสิ่งแวดล้อมของโลกนี้ต่อไปอีกไหมสองเราจะยอมที่จะปล่อยให้ข้อมูลที่ผ่านหูผ่านตาเช่นมีระสูลมามีคำพิมาปล่อยให้มันไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ดึงมาศึกษามาไต่ตรองมามาลึกซึ้งกว่าเดิมหรือจะปล่อย อาย่านี้ถูกประทานลงมาในมักกะชาวมุสริกีที่เขาเคยพึ่งพาหยินที่เขาเคยพึ่งพาผู้ปฏิสัทธาแล้วก็อยู่ในสภาพที่ถูกลอกลวงจากโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอยู่ในสภาพนี้นะฉากสุท้ายของพวกคนนี้นะแค่นี้แหละแบบนี้แหละพิจารณาตัวเองสิคุณอานจึง มีความพิสิทธ์ตรงนี้แหละครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่มีใครสามารถเดาได้ว่ามันจะเกิดยังไงเรามาเล่าให้เราได้ได้เห็นภาพแล้วก็ให้ตัวอย่างที่เราเอามาเปรียบเทียบว่าใช่สิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันคือเรามันตรงนี้หรือมันใช่ใช่หรือเปล่าใช่อันเดียวกันเลย หากท้าทยมันเป็นอย่างนี้ต้นของมันเนี่ยตอนต้นของมันเนี่ยนะที่เราอยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตอนท้ายเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตอนตอน้นไอ้ไอหนังวิทยาศาสตร์ที่เขาจินตนาการว่าจะมีเรือข้ามเวลาการละเวลา ให้กลับไปอดีตให้ข้ามไปอยู่อนาคตอันนี้จริงอันนี้นั่นก็คือจริงแล้วคำถามที่มันอยู่ในหนังพวกนี้แต่ละเรื่องเนี่ยเรก็เอาแล้วจะกลับไปย้อนในอดีตและก็เปลี่ยนบางส่วนอนาคตมันจะถูกเปลี่ยนหมเ้ยเคยมีคำถามแบบนี้ เออถ้ามันเรืเ่องเงินจริงอะและ้วแต่กับมีมีเรื่องนี้จริงแล้วก็กลับไปในอดีตแล้วก็ไปแก้อะไรในอดีตมันจะเปลี่ยนอนาคตไหมคําตอบคือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงอนาคตนี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราเนี่คือเราเนี่คืออดีตเรานี้คืออดีตนี่ไงไม่ใช่ปัจจุบันแล้วนะ ทำไมเพราะเราเนี่ยไปสู่อนาคตที่เสมือนเราเห็นแล้วไงเราไปอยู่ในอนาคตแล้วมันเกิดขึ้นจริงแน่นอนแล้วกําลังมองเห็นดูอนาคตในพวกยินแล้วมนุษย์เนี่ยเราอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้หรือไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้กำลังนะถกเถียงกันว่าเออใครทําใครใครอะไรเนี่ยเออเราก็ดพวกเดียวกันอีหละ แล้วก็บอกกันนี่แหละการถกเสียงกันนี่แหละก็เพราะอะไรเพราะพวกคุณถูกหลอกลวงยอมอยู่กับโลกดุนยาไม่เอาสาระกับขทิปความจริงสัจธรรมที่เราสรงมาคับวนานาบีราสู้ทั้งหลายอ๋อมันเพราะอันนี้นี่แหละแล้วก็นั่งเรือแห่งการละเวลาแล้วก็กลับมานี่มาอยู่ในอดีตแก้สิแก้สิ และในอนาคตเนี่ยเราจะไม่อยู่ในหมู่มนุษย์และยินที่ถูกเถียงกันว่าเราขนขวายกันซึ่งความสุขที่เอื้อซึ่งกันและกันเราจะไม่อยู่กับพวกเราจะแยกตัวการเป็นผู้ชมไม่ใช่คนที่กำลังแสดงฉากนี้นี่ไงแกได้นี่ไงทั้งนี้ อย่างที่บอกตอนตอนแรกกันว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมคำถามเยอะนะคำถามเยอะแล้วคต่คำถามแต่ละคนที่อยู่ในใจนี่นะาบางคนนี่ไปเสียเวลากับคำถามที่ไม่มีประโยชน์เช่น คำถามที่คำถามที่มันมันเล่าชีวิตของเราอะนะที่เราสามารถข่า ม, มันได้ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันมีภรรยาแบบนี้ละ่ะหรือภรรยาทำไม อัลลอฮฺให้สามีสามีแย่แบบนี้ละสามีบางคนนี่มีคำตอบนะสามีบางคนนี่บอกกับรยานีอัลลอฮรักเธอมากเลยนะาาทําไม่เหรอที่รักเพราะอัลลอฮฺทดสอบนี่ให้เธอนี่มีสามีแย่แย่แบบฉันเนี่ย นบีบอกไงอินนั่ลลอฮะฮับบาบตอนนีแตละานัลลอฮ์รักใครเนี่ยเราทดสอบเขาแสดงว่าอลอฮรักเธอมากเลยนทดสอบให้มีสามีแย่แย่แบบฉันนี่นะอันที่จริงเนี่ยคำถามนี่บางคำถามนี่นะมันมันไม่ต้องตั้งคำถามมันต้องมันต้องรีบจัดการคำถามมันหาคำตอบเพื่มีประโยชน์ต้องรีบจัดการรถชนอย่างเนี้ย แล้ว ท, ท, ทำอะไชนมันทําไมเงี้ยอะไรอ่ะทำไมเงี้ยผมเจอเจอกับตัวเองอะนะคือไปชนกันตอนนั้นอาสาอบรมบวกแท็กซี่นะมาด้วยนะคนที่ขับแท็กซี่ไปชนคนแท็กซี่นะพอเขามาม า, ม า, ม, ามาทำอะไรสักอย่างนะึงก็ไปชนกันไปชนกับมันคือผมนี่ไปชนมันเขาก็ ทำไมเงี้ยทำไมเงี้ย <c oughs> นี่นำบัตรหลวงผมผมจะละหมาดแป๊บนึ่งเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาเลยกันคือจะมานั่งให้คําตอบว่าทําไมกูไปนชนมึงกั น, ม, นม า, า <c oughs> ผมไปละหมาดก่อนนะเออเดี๋ยวก็ติดใจอะไรเดีติดต่อแล้วกันนะบางอย่างนี่คําถามนี่ไม่ต้องเสียเวลากับมันนะนะแต่คําคถามที่มันต้องลงทุนหาคําตอบใช่ใช่ใช ทำไมฉันรู้จักอัลลอ์แต่ไม่ทำไมวาได้เต็มทีล่ล่ะมันน่าศึกษามันเพราะอะไรทำไมฉันรับคำสั่งจากอัลลอ์ให้ดูแลภรรยาดูลูกดูนี่แต่ฉันไม่ดูแล น, นี่นะน่าศึกษาทำไมอัลลอ์ฝากศาสนาไว้กับเราแต่เราไม่เทกแค่ศาสนา เราบอกว่าให้เราเป็นประชาชาติเดียวกันช่วยเหลือเ อ, อื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันทำไมเราเห็นพี่น้องเราถูกเข็นฆ่าเราไม่ขยับตัว อ, อ, อันนี้อันนี้น่าศึกษาแต่อะไรบางอย่างนี่ที่มันที่มันไม่ต้องศึกษานานนะหรือจัดการไปเลยเนี่ยนะแต่บางอย่างนี่มันไม่น่าจะให้มันผ่านไปไง่ายๆแบบเนี้ยแตามันก็ผ่านนะบางอย่างนี่มันผ่านไปในชีวิตเนี่ยผ่านไปแล้วเนกี่ สิบปีนะนะมันก็ยังมีคําถามที่ยังไม่ได้คําตอบมีอีกครั้งหนึ่งที่จัดบรรยายน่าจะเป็นครั้งแรกของโรงียานี่โรงียาหรือกาซาหลังจากสงครามที่ยวได้ตกลงกาซาเนี่ยพียง้องสังเกตมาช่วงหลังนี้ผมเรื่องสถานการณ์นี่ผมไม่ค่อยบรรยายแต่การทีออนึ่งผมบรรยายเยอะหนึ่งในหัวข้อนี่ ผมตั้งหัวข้อเจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมเห็นพี่น้องเรานี่เขาเขาเจ็บปวดเราเจ็บปวดไหมอันนี้คือคดีของนยบีไงทำไมอะ่ะเพื่อเพื่อหาคำตอบไงเราถามว่านาบีผมก็เราเป็นประชาชาติเดียวกันประหนึ่งเรียงร่างเดียวกันส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นต้องเจ็บปวดโดท่องจำกันอย่างดีเลยนะพอเห็นเขาเจ็บปวด เห็นบางคนมีเห็นเขาเจ็บมีหนามซ้ำบางคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมมานเห็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาถูกฆ่านะเขาไม่เจ็บนะเขากลับไปซ้ำเติมกับพี่น้องมุสลิมที่ที่กำลังเจ็บอยู่ฮามาสกําลังเจ็บปวดเขขอสาปแช่งฮามาสอย่างเนี้ยที่หลังนี่ก็ไม่ค่อยอยากพูดในเรื่องสถานการณ์ทำไมรู้สึกว่ามันมวนดืม่ม วนเดิมเราก็ลังหลอกตัวเองหรือเปล่าโรงยานี่สี่แส0แปดมืนแล้วนะที่นี่ตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดของสาประชาชาตินี่ว่าทุกวันนะทุกวันนะนะตัวเลขของโรงยานี่เขาอพยพข้ามแดนจากจากจากเมจา ก, จากอาการจาก จากพม่านี่ไปบังเกล่เทศเนี่ยทุกวันเนี่ยประมาณ1ม0 0 0ห้าคนห5 0 0 0ันคนมันไม่ธรรมดาองซันซูจีไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่ทรงบา ร, รมีที่สุดในอันนี้เลอกเชื่อกันล่ะทหารยังครอบครองอยู่ทหารยังยังดูแลอยู่ โดยเฉพาะแฟ้มเนี่ยคดีเนี่ยคดีขงรุงเยอนีเลิกหลอกหลอกคือหลอกชาวบ้านกัหลอกไม่ใช่หานก็ยังคุงอยู่ก็เจอพี่น้องชงาวรุงเยียต่ก่อนนู้นเป็นเป็นแนวเซกุแลไม่ชอบมูจาฮิดีนไม่ชอบความรุนแรงว่าต้องสันติวิธีต้องอะไรเนี่ยผมเจอเขาล่าสุด เขาบอกว่าเขาเลิกเชื่อแล้วเขาเลิกเชื่อสาประชาชาติแล้วเลิกเชื่อความมั่นคงสภาความมั่นคงเลิกเชื่อประชาธิปไตยเลิกเชื่อทุกอย่างแล้วทําไมเขาบอกว่าเราเราอยู่กับศัตรูที่ไม่เข้าใจภาษาสันติแล้วเรายังจะดันไปพูดภาษาสันติเขา้าเราทำยังไง คนส่วนมากนีนเข้าใจว่าที่รีภไพเนี่ยคือโรงยาคือมุสลิมอนเดียวไม่ใช่มีอยู่อีกประมาณห้ามืนคนน่ะนะศา ส, สนิกอื่นที่ไม่ใช่พุทธที่ดูขับไล่มีทั้งคริสต์มีทั้งฮินดูมีศาสนิกอื่นน่ะนะนั่นแสดงว่าอาชีกรรมนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีกรรมอาชีกรรมของคนนิ้ มีความแค้นเกียดชังด้านศาสนาสิ่งเดียวไม่ใช่นี่รจิตรกจิ ต, ก, จตก็มันจะไม่มันไม่มีโอกาสที่เราจะมาหลอกตัวเองแล้วนะบางอย่างนี่ทำหน้าที่เท่าที่ทำได้เราจะช่วยพี่น้องโรงพยาบนี่คนที่เดือดร้อนเนี่ย เอาเต้นเอาอะไรไปให้เขาคนทำงานอย่างอื่นสามารถทำงานอย่างอื่นได้นก็ทำไปส่วนอันนี้ก็ต้องตัดไปออกทีวีไม่ได้ฝากแค่นี้นะครับบริษัทวันระหลัดใครด่ามวันประรัมีครับ ไอ้ไม่มีันลานึงเงินตวันลานี้คือบรงเมินมันจะบเมินบางวลานี้เขาเขาเชิญไปไปเสนอทหนึ่งวันชาติของสวีเดีเอาวันบรอดเงินแล้วกันนะต้องมาบีนน้องบรอดนี้